ขอให้มีชีวิตอยู่โดยมีอุดมคติเพื่อไม่มีทุกข์เป็นอันว่าเราจะต้องใช้สัจจะธรรมะขันติจาคะซึ่งมีคำอธิบายยืดยาวอีกมากจนเหลือวิสัยที่จะพูดหมดในที่นี้ได้จึงขอร้องให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายสนใจสี่คำนี้และไปค้นหารายละเอียดเอาจากตำรับตำราเองอย่างถูกต้อง เราท่านจะประสบความสําเร็จจะได้รับอุดมคติหรือสภาวะของจิตที่ยิ่งกว่าเงินความสําเร็จเป็นเงินซื้ออะไรกินได้แต่ว่าอุดมคติยังให้อะไรมากกว่านั้นคือให้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เลยทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็จะได้ไม่ตกอยู่ในฐานะเหมือนไอออสที่มีรู้เรื่องบอกบ้าง ที่ตายสิเป็นส่วนมากตั้งแต่ก่อนจะได้ขึ้นบกบ้างเพราะฉะนั้นจึงขอภาวนาให้พ่อออดแม่ออทั้งหลายนี้ได้เป็นกบที่สมบูรณ์ขึ้นบกตลอดรอดฟังไปได้จงทุกทุกคนสรุปความว่าการที่เราเกิดมานี้เราควรจะรู้ว่ามันมีอะไรที่เป็นอุดมคติสูงอยู่กว่าที่เรารู้ตามลำพังตัวเราเอง เพราะฉะนั้นขอให้เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์จนกระทั่งสามารถทำตนให้เป็นบุตรที่ดีไม่จับบิดามารดาใส่ในนรกแต่ว่ายกขึ้นเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์ตั้งครูบาอาจารย์ไว้ในฐานะเป็นผู้นำทางวิญญาณแล้เดินตามท่านโดยพิสูจน์ได้คือตัวเราต้องมีเมตตาและปัญญาอยู่ในจิตใจ แล้วเราก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติโดยที่ไม่ต้องเสียทีที่เป็นคนไทยและนับถือพระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นก็ต้องเป็นสาวกที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเป็นการขึ้นบกสิ้นเชิงด้วยการสรุปว่าได้รับสิ่งที่ดีที่มนุษย์เราควรจะได้เท่านั้นเองซึ่งเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์แปล ว, ว่า เราจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยการปฏิบัติการงานให้ดีจนกระทั่งเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างสูงทําลายตัวกูของกูอยู่ในตัวเป็นการยิงปืนทีเดียวแล้วได้นกตัวใหญ่หญหญสองตัวทั้งโลกก็ได้ทั้งธรรมก็ได้ด้วยการทำจริงเพียงอย่างเดียวขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายนำไปใช้ให้สาเร็จประโยชน์และมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางของตน ทุกๆคนเทินจบเสียงานหนังสือยอดปรารถนาของมนุษย์พุทธทาสพิขุพระธรรมโกสาจารย์เงื่อมอินทปัญโยเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกไรีเท่านั้นนะครับ